เจคามาศีมาทิว่าด้วยคามาศีมาเป็นต้นอภัทถศีมาข้อหนึพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกสูทั้งหลายเมื่อสีมาที่สงยังไม่ได้สมมติยังไม่ได้กําหนดสีมาภิกสูสง์อยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมใดเขตของหมู่บ้านนั้นเป็นคาโมา สีมาบ้างเขตของนิคมนั้นเป็นนิคมสีมาบ้างสีมานี้ในหมู่บ้านหรือนิคมทั้งสองนั้นเป็นสมานสังวาดมีอุโบสถเดียวกันภิกษุทั้งหลายถ้าในป่าไม่มีหมู่บ้านชั่ว7เจ็ดอับพันดอนโดยรอบสีมานี้ในป่านั้นเป็นสมานสังวาสมีอุโบสถเดียวกัน